ธรรมบทแปลเรื่องที่123เรื่องพระนางมริกาเทวีภาคที่หเรื่องที่หของวรที่11อเชราวัคคะวันานาข้อความเบื้องต้นประศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบพระนางมริกาเทวีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า ยิรันติเวจราราธาสุจิตาเป็นต้นตอนพระนางมัลลิกาทำสันทวะกับสุนัขได้ยินว่าวันหนึ่งพระนางมัลลิกาเทวีนั้นเสด็จเข้าไปอย่างซุ้มสําหรับสงสนานส่งชำระพระโอษฐ์แล้วทรงน้อมพระสรีละลงปรารพ เพื่อจะชำระพระชงมีสุนัขตัวโปรดตัวหนึ่งเข้าไปพร้อมกับพระนางทีเดียวมันเห็นพระนางน้อมลงเช่นนั้นจึงเริ่มจะทำอาศธรรมสันทวะพระนางทรงยินดีผัสสะ ข, ของมันจึงได้ประทับยืนอยู่พระราชาทรงทอดพระเนตรทางพระแกลในราสา ช, ชั้นบน ทรงเห็นกริยานั้นในเวลาพระนางเสด็จมาจากซุ้มน้ำนั้นจึงตรัสว่าหญิงถอยจงฉิบหายเพราะเหตุไรเจ้าจึงได้ทำกรรมเห็นปานนี้ตอนพระราชาแพ้รู้พระนางมัลิกาพระนางหม่อมฉันทำกรรมอะไรพระเจ้าค่าพระราชา ทำสันทวะกับสุนักพระนางเรื่องนี้หามิได้พระเจ้าค่าพระราชาฉันเองเห็นฉันจะเชื่อเจ้าไม่ได้หญิงคอยจงฉิบหายพระนางขอเดชะฝ่าละองทุลีพระบาทปกกล้าผู้ใดผู้หนึ่งเข้าไปยังซุ้มน้ำนี้ผู้เดียวเท่านั้น ก็ปรากฏเป็นสองคนแก่ผู้ที่แลดูทางพระแกลนี้พระราชาเจ้าพูดไม่จริงหญิงชั่วพระนางพระเจ้าข่าถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อหมอมฉันขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปยังซุ้มน้ำนั้นมอมฉันจะแลดูพระองค์ทางพระแกลนี้พระราชาติด จ, จะเขา่า จึงทรงเชื่อถ้อยคำของพระนางแล้วเสด็จเข้าไปยังซุ้มน้ำฝ่ายพระนางเทวีนั้นแหลทรงยืนทอดพระเนตรอยู่ที่พระแกลทูลว่ามหาราชผู้มืดเขาชื่ออะไรนั่นพระองค์ทรงทำสันทวะกับนางแพะแม้เมื่อพระราชาจะตรัสว่านางผู้เริญฉันไม่ได้ทำกรรมเห็นป่านนั้น ก็ทูลว่าแม้หม่อมฉันเห็นเองหม่อมฉันจะเชื่อพระองค์ไม่ได้พระราชาทรงสดับคํานั้นแล้วก็ทรงเชื่อว่าผู้เข้าไปยังซุ้มน้ํานี้ผู้เดียวเท่านั้นก็ย่อมปรากฏเป็นสองคนแน่พระนางมลิกาทรงดํารีว่าพระราชานี้อันเล่าลวงได้แล้วก็เพราะพระองค์โง่เขลา เราทำกรรมชั่วแล้วก็พระราชานี้เรากล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงและแม้พระสัสดาจากทรงทราบกรรมนี้ของเราพระอัครส า, าวกทั้งสองก็ดีพระอสีติมหาสาวกก็ดีจากทราบแต่จริงเราทำกรรมหนักแล้วทราบว่าพระนางมริกานี้ได้เป็นสหายใน อสัสาดิสตาานของพระราชาตอนพระนางมัลลิกาเกิดในอเวจีก็ในอสัสาดิสตาานนั้นการบริจาคที่ทรงทมในวันหนึ่งมีค่าถึงทรัพย์สิบสี่โกรธกสเวตชัตรบัลลังพระทับนั่งเชิงบาทตังสำหรับรองพระบาทของพระตถาคตเจ้าสี่อย่างนี้ ได้มีค่านับไม่ได้ในเวลาจะสิ้นพระชนพระนางมาริกานั้นไม่ได้ทรงนึกถึงการบริจาคใหญ่เห็นป่านนั้นทรงระลึกถึงกรรมอัลลามกนั้นอย่างเดียวสิ้นพระชนแล้วก็บังเกิดในอเวจีก็พระนางมาริกานั้นได้เป็นผู้โปรดปรานของพระราชาอย่างยิ่งตอน พระราชาทูลถามสถานที่พระนางเกิดเท้าเธออันความโศกเป็นกำลังครอบงำรับสั่งให้ทำชาปนักิจพระเสรีระของพระนางแล้วทรงดมริว่าเราจะทูลถามสถานที่เกิดของพระนางจึงได้เสด็จไปยังสำนักของพระศัส ด, สดา พระศัสดาได้ทรงธรรมโดยประการที่เท้าวเธอระลึกถึงเหตุที่เสด็จมาไม่ได้เท้าวเธอทรงสดับธรรมกถาชวนให้ระลึกถึงในสำนักของพระศาสดาแล้วก็ทรงลืมในเวลาเสด็จเข้าไปสู่พระราชนิเวศทรงระลึกได้จึงตรัสว่าพนายฉันตั้งใจว่าจะทูลถามที่พระนางมลิกาเทวีเกิด ไปยังสำนัก ข, ของพระศาสดาก็ลืมเสียวันพรุ่งนี้ฉันจะทูลถามอีกดังนี้แล้วก็ได้เสด็จไปแม้ในวันรุ่งขึ้นฝ่ายพระศาสดาก็ได้ทรงธทมโดยประการที่เท้าเธอระลึกไม่ได้ตลอดเจวันโดยลําดับฝ่ายพระนางมาลิกานั้นไม่่ในนรกตลอด7วันเท่านั้นในวันที่8 จุติจากที่นั้นแล้วเกิดในดุสิตพบถามว่าก็เพราะเหตุไรพระศาสดาจึงได้ทรงทำความที่พระราชานั้นทรงระลึกไม่ได้แก่ว่าทราบว่าพระนางมลิกานั้นได้เป็นที่โปรดปรานพอพระไทยพระราชานั้นอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นเท้าเธอทราบว่าพระนางเกิดในนรกแล้ว ก็จะทรงยึดถือมิจฉาทิฏฐิด้วยทรงดำริว่าหากหญิงผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาเห็นป่านนี้เกิดในนรกไซเราจะถวายทานทำอะไรดังนี้แล้วก็จะรับสั่งให้เลิกนิตยพัทธที่เป็นไปในพระราชนิเวศเพื่อภิกษุ500รูปแล้วพึงเกิดในนรกเพราะฉะนั้น พระสัสดาจึงทรงทำความที่พระราชานั้นทรงระลึกไม่ได้ตลอดเจดวันในวันที่8ทรงดำเนินไปเพื่อบินบาตได้เสด็จไปยังประตูพระราชวังด้วยพระองค์เองทีเดียวพระราชาทรงทราบว่าพระสัสดาเสด็จมาแล้วจึงเสด็จออกทรงรับบาตรแล้วปรารบเพื่อจะเสด็จขึ้นสู่พระศาสด แต่พระศัสดาทรงแสดงพระอาการเพื่อจะประทับนั่งที่ ร, รถพระราชาจึงทูลอันเชิญพระศัสดาให้ประทับนั่งนะที่นั้นเหมือนกันส่งรับรองด้วยข้าวยาคูและของควรเคี้ยวแล้วจึงถวายบังคมพอประทับนั่งก็กราบทูลว่าหม่อมฉันมาก็ด้วยประสงค์ว่าจากทูลถามที่เกิดของพระนางมาริกาเทวี แล้วลืมเสียพระนางเกิดในที่ไหนหนอแลพระเจ้าค่าพระสัสดาในดุสิตภพมหาบพิษพระราชาพระเจ้าค่าเมื่อพระนางไม่บังเกิดในดุสิตภพคนอื่นใครเล่าจะบังเกิดพระเจ้าค่าหญิงเช่นกับพระนางมริกานั้นไม่มีเพราะในที่ที่พระนางนั่งเป็นต้น กีดอื่นเว้นจากการจัดแจงทานด้วยคิดว่าพรุ่งนี้จกถวายสิ่งนี้จะทําสิ่งนี้แต่พระธถาคตดังนี้ไม่มีเลยพระเจ้าข่าตั้งแต่เวลาพระนางไปสู่ปรโลกแล้วสิริระของหม่อมฉันไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าตอนทำของสัตว์บุรุษไม่เก่าเหมือนของอื่น ลำดับนั้นพระสัสดาตรัสกระเท้าเธอว่าอย่าคิดเลยมหาบาพิษนี้เป็นธรรมอันแน่นอนของสัตว์ทุกจำพวกแล้วตรัสถามว่านี้รถของใครมหาบาพิษพระราชาทรงประจิตสถานอัญชลีไว้เหนือพระเสียรแล้วทูลว่าของพระเจ้าปู่ของหม่อมฉันพระเจ้าค่าพระสัสดา นี้ของใครพระราชาของพระชนกของหม่อมฉันพระเจ้าค่าเมื่อพระราชากราบทูลอย่างนั้นแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่ามหาบพิธรถของพระเจ้าปู่ของมหาบพิธพระเหตุไรจึงไม่ถึงรถของพระชนกของมหาบพิธรถของพระชนกของมหาบพิธไม่ถึงรถของมหาบพิธ ความคร่ำค่้าย่อมมาถึงแม้แก่ท่อนไม้ชื่อเห็นบ่านนี้ก็จะกล่าวไปยญยความคร่ำค่้าจักไม่มาถึงแม้แก่อัตภาพเล่ามหาภ พ, พิษความจริงทำของสัตว์บรุษเท่านั้นไม่มีความชราส่วนสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าไม่ชราย่อมไม่มีดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า จรันติเวจรารท่าสุจิตาอะโทสรีลัมปิจรังอุเปติสัตันจะธรรมโมนจรังอุเปติสั้นโตหเวสัพพิปเวดยันตีติราชรถที่วิจิตติยังคร่ำคราได้แลอันหนึ่งถึงสรีระก็ย่อมถึงความคล่ำครา ทำของสัตว์บรุษหาเข้าถึงความคร่ำครา่าไม่สัตว์บรุษทั้งหลายแลย่อมปราศัยกับด้วยสัตว์บรุษตอนแก้อัดสับว่าเวในพระคาถานั้นเป็นนิบาตบทว่าสุจิตตาความว่ารถทั้งหลายแม้ของพระราชาทั้งหลายอันวิจิตติแล้วด้วยรัตนเจต และด้วยเครื่องประดับรถอย่างอื่นย่อมคล่ำคร่าได้บทว่าสรีรำปิความว่ามิใช่รถอย่างเดียวเท่านั้นถึงสรีระที่ประครบประงมกันอย่างดีนี้ก็ย่อมถึงความชมรุดมีความเป็นผู้มีฟันหักเป็นต้นชื่อว่าเข้าถึงความค่ำคร่าบทว่าสตันจะความว่า แต่โล ก, กุตตรธรรมมีอย่าง9ก้าของสัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมไม่ทำการกระทบกระทั่งอะไรอะไรเลยชื่อว่าไม่เข้าถึงความสุดโสมบทว่าปเวไดยันติความว่าสัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมปราศัยกับด้วยสัตบุรุษคือด้วยบัณฑิตทั้งหลายอย่างนี้ ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระนางมาลิกาเทวีจบ